วันนี้เป็นวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่เนื่องจากวันเป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่ที่ตรงกับวันที่หนึ่งตรงกับวันอาทิตย์ทางราชการก็เลย อนุญาตให้มีวันหยุดชดเชยเพื่อประชาชนชาวไทยชาวพุทธจะได้มีโอกาสมาทำบุญกันเพราะการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการกระทำอะไรต่างๆเพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของใจถ้าใจมีบุญแล้วใจจะมีความสุข ใจจะไม่มีความทุกข์ถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนจะอดอยากขาดแคนลนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้ามีบุญแล้วใจจะไม่ทุกข์กับการอดอยากขาดแคลนการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายซึ่งร่างกายของพวกเราทุกคนต่อไปก็จะต้อง แก่กันจะต้องเจ็บใขยได้ป่วยกันจะต้องตายกันถ้าเราไม่บีบุญเราจะทุกข์มากเพราะใจไม่มีที่พึ่งไม่มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าเรามีบุญเราจะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยว ที่จะรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราจึงควรให้ความสาคัญต่อการทำบุญไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรไปหรือสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเป็นอะไรไป เราจะทุกข์เราจะไม่สบายใจกันดังนั้นเราจรึงควรที่จะทําบุญกันบ่อยๆทําบุญกันอยู่เรื่อยๆทําจนกว่าเรามีความมั่นใจว่าเรามีบุญพอเพียงต่อการรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่กําลังจะเกิด ต่อไปในอนาคตบุญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำนี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นเทรงสอนให้ทาทาทานทําบุญด้วยการทําทานบุญที่เกิดจากการทําทานสองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทําบา 3บุญที่เกิดจากการภาวนาการพัฒนาจิตใจการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 4. บุญที่เกิดจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศล 5. บุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญ 6. บุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยหเหลือผู้อื่นเ บุญที่เกิดจากการมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนแปดบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเก้าบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมและสิบบุญที่เกิดจากการให้ทมแก่ผู้อื่น นี่คือลักษณะของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆบุญทั้งสิบอย่างนี้ก็สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มรองแล้วกลุ่มเสริมบุญนี้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนกับอาหารที่ร่างกายต้องรับประทาน อาหารของร่างกายนี้ก็มีเป็นกลุ่มสองกลุ่มอาหารหลักที่เราต้องรับประทานกันเป็นประจำทุกวันและก็อาหารเสริมที่เรารับประทานบ้างก็ได้ไม่ได้รับประทานบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อาหารหลักนี้เราต้องมีเช่นข้าวกับข้าวของที่เราต้องมีรับประทานอยู่เป็นประจำส่วนขนมนมเนย เครื่องเดิมอะไรต่างๆอาหารเสริมชนิดต่างๆถ้ามีดืม่มมีรับประทานก็รับประทานไปถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นปัญหายังไม่ตายถ้ามีข้าวกินมีกับข้าวมีข้าวกินนี้ก็พออยู่ได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็ต้องการอาหารหลักหรือที่พึ่งหลักและที่พึ่งสำรองที่พึ่งหรืออาหารเสริม เราต้องการอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักนี้ก็มีอยู่สี่ชนิดคือหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นอาหารหลักที่เราต้องมีอยู่เป็นประจำควรฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆสองคือการทำทานอยู่เรื่อยๆทำบุญใส่บาตร อย่างชาวบ้านนี่เขาจะทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันสคือการรักษาศีลศีลห้าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยต้องรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันสการภาวนาจะต้องหาเวลามาทำใจให้สงบทําใจให้สะอาดกำจัดความโลภโกรธหลงกำจัดความอยากต่างๆให้เบาบางลงไป และให้หมดไปในที่สุดนี่คือบุญหลักที่พวกเราควรจะทํากันเป็นประจำเหมือนกับอาหารหลักที่เรารับประทานกันทุกวันนี้เรารับประทานข้าวรับประทานกับข้าวกันทุกมือ้อส่วนอาหารอย่างอื่นและอาหารเสริมนี่เราก็มีอะไรเราก็รับประทานไปถ้าไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่อาหารหลักนี้ถ้าไม่มีแล้วเราจะเดือดร้อนกัน จึงควรสร้างบุญที่เป็นบุญหลักกันเป็นประจำให้มันเป็นนิสัยให้ฟังเทศฟังธรรมกันให้เป็นนิสัยสมัยนี้เราโชคดีเราสามารถฟังธรรมกันได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนไม่เหมือนสมัยก่อนนี้เราต้องรอวันพระเราไปที่วัดเพื่อไปฟังเทศจากพระ เพราะว่าที่บ้านเราก็ไม่มีใครเทศเป็นกันคนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ศึกษาธรรมสามีภรรยาปุญ่าตาญาบิดามารดาก็ไม่ได้ไปเรียนธรรมกันถ้าอยากจะฟังธรรมก็ต้องไปวัดกันแล้วจะไปวัดก็ไปได้เฉพาะวันหยุดทำงานเช่นวันโกนวันพระอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ฟังธรรมสักครั้งหนึ่ง แต่สมัยนี้เรามีเครื่องอัดเสียงเรามีเครื่องถ่ายภาพเรามีหนังสือเราสามารถที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาถ้าเราได้ศึกษาบ่อยๆศึกษามากๆเราก็จะได้เข้าใจถึงเรื่องของบุญต่างๆ ที่เราจะต้องบำเพ็ญกันที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราไม่ศึกษานานๆฟังสักครั้งหนึ่งอาจสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อเดี๋ยวสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมันก็จางหายไปลืมไปได้จากนั้นถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระ สาวกทั้งหลายของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็ขอให้เราหมั่นอ่านกันอ่านฟังกันถ้าเป็นแผ่นซีดีถ้าเป็นเสียงก็หมั่นฟังกันถ้าเป็นต้นหนังสือก็หมั่นอ่านกันเพราะอ่านแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําบุญอะไรบ้างนั่นเองการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงถือว่าเป็นบุญที่สําคัญที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลาย เ่อจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปทำบุญต่างๆได้เหมือนกับการเดินทางนี้เราต้องมีแผนที่เราต้องดูแผนที่กันต้องรู้ทางว่าเราจะไปทิศทางไหนกันถ้าเราไม่รู้ทางแล้วออกเดินทางเดี๋ยวก็ไปผิดทางได้หลงทางได้แทนที่จะไปสวรรค์กลับไปอบายได้แทนที่จะไปนิพพานกลับไป เวียนว่ายตายเกิดกันได้การฟังธรรมนี้จึงมีคุณมีประโยชน์มากเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิ ต, ตการที่เราจะได้ประโยชน์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราต้องฟังด้วยสติฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบบางท่านคิดว่าเปิด ทำรรไปฟังไปแล้วก็ทำอะไรควบคู่ไปด้วยถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ัหมก็ตอบว่าเป็นแต่ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะว่าใจนี้ไม่ได้อยู่กับการฟังทำตลอดเวลาเพราะกำลังทำอะไรอย่างอื่นด้วยใจก็ต้องแบ่งไปทีละ ไปอย่างละครึ่งฟังทมไปครึ่งหนึ่งกลับไปกลับมาฟังทมปั๊บแล้วเดี๋ยวก็กลับมาดูงานที่กำลังทำอยู่ทำไปกลับไปกลับมาก็จะได้ทาเพียงครึ่งเดียวและอาจจะเป็นธรรมที่ไม่ต่อเนื่องทำให้ไม่ได้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจอเพราะเรื่องของธรรมนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลที่จะต้องฟังอย่างต่อเนื่อง ว่าทําอะไรอย่างไรแล้วได้ผลอะไรอย่างไรถ้าฟังแต่เหตุแล้วไปทําอะไรระหว่างที่กำลังอธิบายเรื่องผลก็จะไม่เข้าใจว่าทําไปแล้วจะได้อะไรจากการกระทําเหล่านี้ดังั้นทางที่ดีถ้าอยากจะฟังเทศฟังธรรมควรจะฟังด้วยกายว่าากใจที่สงบกายก็คือนั่งเฉยเฉยไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องทําอะไร วาจาก็ไม่ต้องคุยกันอย่าคุยกันใจก็อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กําลังมาสัมผัสที่หูพิจารณาตามถ้าพิจารณาได้ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ใช้เสียงธรรมกล่อมใจไปก็จะได้ประโยชน์สองลักษณะด้วยกันถ้าพิจารณาตามก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิ ได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุทําให้เกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเหตุที่ดับความทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าปัญญาสามาทิฐิพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็สามารถที่แยกแยะมันไปอันไหนไม่ดีเราก็โยนทิ้งไปอันไหนดีเราก็เก็บไว้อันไหน ที่เราควรที่จะรักษาเราก็รักษาอันไหนที่เราควรจะเจริญเราก็จะเจริญเมื่อเรารู้แล้วเราทำในสิ่งที่รู้ที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงพอทำแล้วเราก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการผลก็คือให้ใจของเรานี่งเย็นสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงหรือไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงเช่นร่างกายของคนอื่นคนที่เรารักเราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเวลาเขาเป็นอะไรก็ทำให้เราไม่สบายใจได้หรือร่างกายของเราเองที่มันก็จะต้องมีวันเป็นไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็จะต้องตายไปในที่สุดถ้าเรามีบุญ ที่เกิดจากการฟั่งเทศฟังธรรมเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นเราควรที่จะหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอย่าอยู่เรื่อยๆอย่าเกียดค้านให้เห็นการฟั่งเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมทั้งหมดนี้ก็มาจากพระโอษของพระพุทธเจ้า แล้วได้รับการบันทึกจดจำกันมาแล้วก็นาเอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันอพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำทานอะไรบ้างทานที่เราจะต้องเริ่มทาข้อที่หนึ่งก็คือการทาทานก่อนเพราะการทำบุญ น, นี้มันก็เป็นเหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกัน ต้องเรียนจากชั้นปถมขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมขึ้นไปสู่ชั้นอุดมศึกษาชั้นระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยจเป็นที่จะต้องอาศัยการเรียนจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงเพราะขั้นต่ำนี้จะสนับสนุนให้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นสูงได้ต่อไปเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดเราก็ต้องก้าวจากขั้นที่หนึ่งขึ้นสู่ขั้นที่สอง เราจะก้าวจากจากขั้นศูนย์ไปขั้นที่สี่เลยนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นได้มันก็ยากมากบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษที่จะก้าวโพวดจากศูนย์ไปสู่ขั้นสูงสุดไม่ต้องไปเรียนประถมไม่ต้องไปเรียนชั้นมัธยมไปเรียนระดับปริญญาได้เลยก็ต้องเป็นแบบอัจฉริยะบุคคล เช่นสมัยนี้บางทีแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีเด็กบางคนนี้อายุสิบขวบนี้ก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้สอบเอ t r ร n น e ได้อันนี้ต้องถือว่าเขามีความสามารถพิเศษมากเป็นระดับพระโพธิสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าของพวกเราสมัยที่ทรงยเยาว์วัยพระบิดาพระราชบิดาก็หาอาจารย์หาครูมาสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆ พระพุทธเจ้าก็รู้มากกว่าอาจารย์ที่มาสอนอันนี้เป็นเฉพาะบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถที่จะ เ, เรียนได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสำหรับพวกเรานี้เราต้องไต่เต้ า, ตากันไปเหมือนเด็กทั่วๆไปที่ต้องเข้าอนุบาลก่อน แล้วก็จากอนุบาลก็เข้าชั้นประถมจากชั้นประถมเราก็เข้าสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมเราก็จะเข้าเข้าไปสู่ชั้นอุดมศึกษาต่อไปตามลําดับเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทต่อปริญญาโทแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกตามลําดับเพราะความรู้ทีาเราเรียนมาแต่ละชั้นนี้มันจะสนับสนุนให้เรามีความรู้ความสามารถ ที่จะเรียนชั้นที่สูงกว่าได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเริ่มที่ขั้นต่ำสุดคือขั้นอนุบาลหรือขั้นปฐมที่เรียวกว่าการทาทานเพราะการทำทานนี้มันง่ายกว่าขั้นที่สองคือขั้นที่การรักษาศีลขั้นรักษาศีลก็ง่ายกว่าการขั้นภาวนา ขั้นที่หนึ่งเราก็เรียนกันแล้วคือขั้นอนุบะคือการฟังเทศฟังธรรมนี่เรียกว่าถือว่าเป็นเหมือนกับชั้นอนุบาลฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างทำอะไรบ้างฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่ามีบุญที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำและบุญเสริมที่เราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่โ อ, อกาสบุญหลักก็คือ การฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําบุญอะไรบ้างแล้วทําอะไรก่อนทําอะไรหลังขั้นที่หนึ่งเราต้องมาหัดทําทานกันให้ได้ก่อนต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันอย่าหวงข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เรามีมากเกนินความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เงินทองเรา ควรแบ่งเป็นสองส่วนเงินทองที่เราจําเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้เลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของพวกเราต้องมีเงินซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารยารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วมีมากกว่าที่เราจะต้องใช้ก็เอาเงินส่วนที่เกินนี้ไปทําบุญเพื่อที่จะได้ไม่เอาไปใช้ในทางที่จะทําให้เรา โดยความทุกข์จะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการใช้เงินนี้ใช้ได้สองลักษณะใช้เพื่อซื้อภพชาติซื้อซื้อการเวียนว่ายตายเกิดหรือใช้เพื่อดับการเวียนว่ายตายเกิดการใช้เงินเพื่อซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเอาเงินไปซื้อของตร ตามความอยากต่างๆของที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อของที่ไม่มีก็ไม่ตายไม่เดือดร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่มีราคาแพงแพงเช่นเสื้อผ้านี้ไม่จําเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าทีรา่ราคาแพงแพงซื้อที่ซื้อเสื้อผ้าราคาถูกๆใส่ก็ได้ประโยชน์เท่ากันคือเอามาปกเปิดรักษา ร่างกายป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆมาทำลายร่างกายเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าจะชุดละร้อยสองร้อยหรือชุดละพันสองพันหรือหมืสองหมืนมันก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีเงินมากเราก็จะหลงกับการซื้อของแพงๆมาใส่กันแล้วพอซื้อแล้วก็จะติดถ้าซื้อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลซื้อด้วยความอยาก ก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆ เ, เงินทองก็จะต้องล่อยหลอแลวก็เราก็จะต้องไปหาเงินทองมาการหาเงินทองก็จะทำให้เรารักษาศีลไม่ได้หรือรักษาศีลยากเพราะเวลาหาเงินหาทองก็อยากจะได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆมันก็ต้องโกหกบ้างมันต้องโกง ก, กันบ้างมันถึงจะได้เงินทองที่ ง่ายและเร็วและมากได้ดังนั้นถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีเหลือที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้นี่เอามาทำบุญมันก็จะมากําจัดความอยากที่จะใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลไปแล้วก็จะตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไปเพราะเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดมามีพบชาติก็คือความอยาก ต่างๆนี่เงเช่นความอยากใช้เงินนี้ถ้าเราเลิกใช้เงินตามความอยากแล้วจํานวนพบชาติของเรานี้จะลดน้อยลงไปเพราะความอยากที่จะซื้ออะไรต่างๆตามความอยากนี้มันจะถูกกําจัดด้วยการเอาเงินไปทําบุญแทนพอไม่มีเงินไปซื้อของตามความอยากก็ไม่ได้ทําตามความอยากความอยากเหล่านั้นก็จะไม่ ไม่โผล่ขึ้นมาต่อไปทุกครั้งที่มันโผล่ก็เอามาทำตามความเอามาทำบุญกันทำบุญก็จะทำให้ใจเรามีความสุขทำให้ใจเราไม่หิวโหวยเพราะความอยากที่จะใช้เงินนั่นมันมันถูกตัดไปทำให้ใจเกิดความอิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมาคนที่ทำบุญทาทานี้จะเป็นคนที่ชอบ ช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นจะไม่ชอบให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะทําให้มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเวลาจะทําอะไรก็จะระวังว่าทําไปแล้วจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่เช่นเวลาจะฆ่าสัตว์ก็จะไม่กล้าฆ่า เวลาจะรักทรัพย์จะโกงก็จะไม่กล้าโกงเวลาจะประพฤติผิดตัวเวณีก็จะไม่กล้าประพฤติผิดตัวเวณีเวลาจะโกหกหลอกลวงก็จะไม่กล้าก็เลยทําให้สามารถที่จะทําทานทําบุญขั้นที่สองได้ก็คือการไม่ทําบาปการรักษาศีลห้า เวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขทำทานแล้วเราก็จะมีความสุขรักษาศีลแล้วเราก็จะมีความสุขใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเป็นการดับความทุกข์ดับความวุ่นวายไปที่เราเล็กเทือน้อยถ้าไม่ทำทานเอาเงินไปซื้อของตามความอยากใจก็จะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการทำตามความอยาก วุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากกันพอไม่ได้ใช้เงินตามความอยากเอาเงินมาทำบุญทำแล้วใจก็อิ่มสบายอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปซื้อของแพงๆกันอยู่แบบสมถะเรียบง่ายกลับมีความสุขมากกว่าอยู่แบบหรูหราอยู่แบบหรูหรานี่ หรูหราขนาดไหนมันก็มันก็ยังไม่สุขเพราะเดี๋ยวเห็นคนที่เขาหรูหรากับเราก็ทำให้เราเกิดความอิจฉาหรือเสหรือเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการทำทานถ้าเราทำทานได้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้ความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงความสุขก็จะมากขึ้น ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการใช้เงินหาเงินมันก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นการแล้วก็ทำให้เราสามารถรักษาสีนห้ากันได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ทำทานเราจะชอบเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งที่ไม่จาเป็นตามความอยากต่างๆมันจะทำให้เราไม่อยากจะรักษาสีนเพราะมันจะทาให้ยากต่อการหาเงินทองมาใช้นั่นเอง และการใช้เงินทองก็บางทีก็ใช้โดยที่ไม่ถูกไม่ถูกศีลเช่นไปซื้อสุรามาดื่มไปเที่ยวยามราตรีไปประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ทานก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าเร า, อ, าอยากจะใช้เงินทองไปตามความอยากต่างๆ เราต้องฝืนเวลาที่จะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากไปทําตามความอยากที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทําไม่ต้องซื้อก็อย่าเสียเงินเดี๋วก็เอาเงินนี้มาทําบุญทําทานกันทําแล้วจะสบายใจแล้วก็จะทําให้เราไม่อยากจะเบียดเบียนใครก็จะทําให้เราก้าวสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นศีลรักษาศีลห้าได้อย่างสบาย ได้อย่างง่ายดายคนที่ทาบุญ น, นี้จะรักษาศีลได้เพราะคนทาบุญ น, นี้จะไม่ชอบทาบาสนั่นเองแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นขั้นภาวนาต่อไปได้การจะก้าวขึ้นสู่ขั้นภาวนาเราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดกันศีลแปดนี้จะช่วยให้เราได้มีเวลาภาวนานั่นเอง และจะสนับสนุนการภาวนาเพราะถ้าเราไม่มีศีลแตดเราก็จะเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปร่วมหลับนอนกับแฟนของเราแทนที่จะมานั่งไหว้พระสดบนนั่งสมาธิกันก็ไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรื อ, อไปรับประทานอาหาร มากเกินความจำเป็นมากเกินความต้องการของร่างกายถ้าจะรับประทานเพื่อร่างกายนี้รับประทานมื้อเดียวก็พอกินครั้งเดียวก็อยู่ได้แล้ววันหนึ่งรับรองได้ไม่ตายแต่ถ้าถ้ามีความอยากก็อยากจะกินหลายหลายมือ้อเวลาเกิดความอยากก็เกิดความไม่สงบเกิดความวุ่นวายใจก็ต้องไปหาอะไรมากินเพื่อล้ับความวุ่นวายใจ แา่การทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปกลับจะทำให้ความอยากกลับมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้ความอยากกินหายไปก็คืออยากไปกินมันกินเท่าที่จาเป็นกินตามเวลาที่เรากำหนดไว้นอกเวลาเราก็จะไม่กินอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่วุ่นวายไปกับการรับประทานอาหารมากเกินไป และการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการมาบำเพ็ญภาวนาเพราะว่าเมื่อเรารับประทานอาหารมากๆมันก็จะว่งนอนมันอยากจะนอนมันไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิเลวลานั่งสมาธิก็จะสับประงกหลับง่ายแต่ถ้าเรากินมื้อเดียวกินเท่าที่ กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อนให้ร่างกายอยู่ไปได้วันวันหนึ่งร่างกายจะไม่ง่วงหรืออาจจะง่วงเฉพาะช่วงชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากที่เรารับประทานเสร็จใหม่ๆแต่หลังจากนั้นไปสองชั่วโมงแล้วความง่วงนอนก็จะหายไปเราก็จะได้มีเวลาภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนรับประทานอาหารแบบพระตอนเช้ามื้อเดียวบ่ายโมงก็ฉันอาหาร อาหารเก้าโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับอาหารกลางวันอาหารเย็นถ้าเป็นรถไฟก็ไม่ต้องมาคอยจอดวิ่งพูดไปเลยเป็นรถไฟด่วนเลยถ้ามาคอยจอดตามสถานีอ้เดี๋ยวเที่ยงก็ต้องจอดนะเดี๋ยวเย็นก็ต้องจอดนะเดี๋ยวเดึกก่อนจะนอนก็ต้องจอดเด็กอย่างนี้มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรมัวแต่คอยจอด เดี๋ยวมันไม่ทันต่อเวลาเดี๋ยวร่างกายนี้มันจะตายไปเชก่อนถ้าเราเอาแบบมือเดียวแล้วก็เป็นแบบรถด่วนเติมน้ำมันครั้งเดียวก่อนจะออกจากสถานีก็เติมน้ำมันให้มันเต็มที่เลยพอเติมเสร็จแล้วเทนี้ก็ไม่แวะเลยวิ่งไปจนกว่าจ ะ, ะถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยเติมใหม่คือวันรุ่งขึ้นนี่คือเรื่องของการถือศีลแปด จะทำให้เรากําจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมาแย่งเวลาอันมีค่าที่เราจะมาใช้ในการภาวนามาสร้างความสงบให้แก่ใจสร้างความฉลาดให้แก่ใจที่จะรักษาความสงบไว้หลังจากที่ได้ได้ความสงบแล้วก็ต้องรู้จักวิธีรักษาวิธีรักษาที่จะรักษาให้ใจสงบอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญาจะรู้ว่าสิ่งที่จะมาทำลายความสงบทำให้จิตวุ่นวายก็คือความอยากต่างๆนี้เองพอเกิดความอยากปัญญาก็จะสอนใจให้รู้ว่าความอยากได้อะไรนี้มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขหรอกมันกลับทำให้เรามีความทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป เวลาหมดไปก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราต้องอยากหาสิ่งอื่นมาทดแทนต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ใจเวลามันจากเราไปมันก็ทุกข์ใจกันถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะมันรู้ว่าไม่มีอะไรจะดีกว่าความสงบก็จะรักษาความสงบเพียงอย่างเดียว พอใจสงบไม่มีความอยากใจก็เบาสบายมีความสุขใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะความทุกข์เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้เรื่องราวต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นันนน่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางครั้งก็พอสั่งกันได้แต่บางครั้งก็สั่งไม่ได้ บางครั้งก็พอห้ามได้บางครั้งก็ห้ามไม่ได้เช่นร่างกายบางครั้งเราก็ห้ามไม่ให้มันตายได้เราตอนนี้เราห้ามมันได้อยู่เราคอยห้ามมันอยู่ตอนนี้ไม่ให้มันตายกันแต่เดี๋ยวมันต้องมีสักวันที่ห้ามมันไม่ได้ห้ามยังไงมันก็จะตายอยู่ดีอีอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างเต็มที่ แต่เดี๋ยวมันก็มีวันหนึ่งที่มันจะต้องเจ็บเพราะไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราให้ดูแลดีกันขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องป่วยขึ้นมาอยู่ดีมันต้องเจ็บอยู่ดีถ้ามีความอยากให้มันไม่ป่วยก็จะทุกข์ถ้ามีความอยากไม่ให้มันตายก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่าทายัางไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ก็เลยทาใจดีกว่า ใจก็ไม่ได้ทอดทิ้งร่างกายก็ดูแลมันไปตามกําลังของเราแต่ยอมรับว่าเราสู้มันไม่ได้เราสู้ความแก่สู้ความเจ็บสู้ความตายไม่ได้ต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอย่างแน่นอนพอมันแก่มันเจ็บมันตายสิ่งที่เราควรจะทําก็คือควรจะทําใจกันถ้าเรามีปัญญาเราก็จะทําใจได้ ถ้าไม่มีปัญญาก็ทําไม่ได้ต้องมีปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนด้วยถ้าเป็นปัญญาแบบที่กําลังได้ยินนี้ยังยังทําใจไม่ได้เดี๋ยวพอไปเจอความเจ็บเจอความตายขึ้นมาก็ก็ทุกข์ขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีสมาธิมาสนับสนุนปัญญาที่ได้รับจากการได้ยินได้ฟังนี้จะไม่มีกําลังพอ ที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้แต่ถ้ามีสมาธิสนับสนุนมีความสงบเป็นผู้สนับสนุนปัญญาปัญญานี้ก็จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายได้กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าเรามีปัญญามีสมาธิมีศีลมีทานมีการฟังเทศฟังธรรม ใจของเราก็จะหมุนออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนใจจะหมุนออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายใจจะปล่อยวางร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ปล่อยวางการพัดพาจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักได้เพราะใจเรารู้ว่าห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง เหตุการ์ต่างๆเมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถึงเวลาที่เราจะต้องพัดพากจากกันก็ต้องพัดพากจากกันไม่มีใครยับยั้งได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็จากพวกเราไปแล้วพระอรันตสาวกคูบาอาจารย์ต่างๆที่เรารักเราเคารพ ก, ก็จากพวกเราไปแล้วปู่ย่าตายายปิดามารดาก็ค่อยๆจากพวกเรากันไปที่เราคนสองคน แ้ต่อมาก็ต้องตัวเราเองร่างกายของเราเองมันก็ต้องจากเราไปเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาใจของเราจะตั้งอยู่ในความสงบจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายกับการสูญเสียของร่างกายไปนี่คือขั้นตอนของการสร้างบุญหลักที่เราควรที่จะทำกันเป็นประจำทำทุกวัน ตาจากน้อยไปหามากก่อนทำบุญทำทานตอนต้นอาจจะทำร้อยละสิบร้อยละห้าจากทรัพย์ที่เรามีอยู่ต่อไปทำแล้วเห็นว่ามันดีทำให้ใจสงบมีความสุขก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปแล้วพอเรารักษาศีลได้เราภาวนาได้เราก็จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอาสาเงินทองต่อไปเราก็อาจจะ ยกเงินทองที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีให้กับผู้อื่นไปหมดเลยก็ได้เก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนบุญที่เป็นบุญเสรมนี้เราก็ทําไปตามเหตุการณ์เช่นเรามีบุคคลที่รักตายจากเราไปเวลาเราทําบุญนี้ทาทานนี้เราก็สามารถแบ่งบุญที่เราทํานี้ให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วได้ แต่ เ, เงินกับแต่มันเป็นบุญเป็นเหมือนกับเงินที่ให้ขอทานเวลาเราให้เงินขอทานนี่เราไม่ได้ให้เขามากเกินไปเพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกหรือไม่เราก็ให้พอเขาประทังชีพได้ไปบุญอุทิศนี่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับบุญเงินที่เราให้ขอทานเราแบ่งให้เขาได้เพียงเล็กน้อยพอให้เขาอยู่ได้อไม่หิวโหวยมากจนเกินไป ผู้ที่มาเป็นขอทานเวลาที่ตายไปก็เป็นผู้ที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่เชื่อบุญไม่ชอบทําบุญไม่ได้ทําบุญหรือทําก็น้อยมากเช่นปีหนึ่งอาจจะทําเฉพาะวันสําคัญสําคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันเกิดอวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขะวันมาคาบบูชา วันาสาหบูชาหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเมื่อเปรียบกับจํานวนวันที่เรามีอยู่ในแต่ละปีนี้มันเป็นจํานวนน้อยมากปีหนึ่งทําบุญไม่ถึงสิบครั้งแต่คนที่ทําบุญทุกวันนี้ปีหนึ่งเขาทําได้สามร้อยหกสิบห้าครั้งด้วยกันถ้าทําบุญทุกวันรับรองได้ว่าตายไปนี้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่น ผู้ที่มารอรับส่วนบุญนี้เป็นพวกที่ทำบุญน้อยหรือไม่ทำเลยบางพวกก็ไม่ยอมทำบุญเลยวันเกิดก็ไม่ทำวันพระก็วันปีใหม่ก็ไม่ทำวันอะไรก็ไม่ทำดังนั้นเอาเงินไปกินไปดืม่มไปเที่ยวไปเล่นกันดีกว่าสนุกกว่าสบายกว่าพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะต้องมาคอยรับส่วนบุญถ้าเรายังรักเขาอยู่เป็นห่วงเขาอยู่ เวลาเราทําบุญเราก็อุทิศบุญไปได้การอุทิศบุญนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องกวดน้ําบุญไม่ใช่น้ําเราเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างของบุญว่าเวลาเราเทน้ําลงไปนี่เหมือนกับเราเทบุญลงไปส่งบุญไปบุญเป็นเหมือนกระแสน้ําความจริงบุญก็คือกระแสของความสุขที่เราส่งให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเรียกว่า เป็นการอุทิศบุญไม่ต้องรอให้พระมาสวดยะถาสัพพีทำบุญเสร็จปั๊บอุทิศได้เลยไม่ต้องมีน้ำเพียงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอแบ่งบุญแบ่งกุศลส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วมีชื่อนั้นชื่อนี้ว่าไปต้องบอกชื่อถ้าไม่บอกก็จะเขาก็จะไม่สามารถรับได้เพราะไม่รู้ว่าจะให้ใคร นี่คือบุญที่เกิดเวลาที่เราทำบุญแล้วเราเป็นห่วงเป็นใยบุคคลที่เรารักเคารพที่ล่วงลับไปแล้วกลัวเขาจะเดือดร้อนกลัวเขาเป็นขอทานถ้าเขาเป็นขอทานถ้าเราส่งบุญนี้ไปเขาจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาได้แล้วบุญเสริมอีกข้อหนึ่งก็คือการอนุโมทนาบุญการอนุโมทนาบุญก็คือให้เรา ร่วมทำบุญเวลาเห็นผู้อื่นเขาทำบุญด้วยหรือให้สนับสนุนการทำบุญของผู้อื่นอย่าไปขัดขวางการทำบุญเพราะการทำบุญนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งกับผู้ทำและกับผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้องแต่บางทีเราไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่เรารักชอบทำบุญ เวลาเ็าทำบุญแทนที่เราจะอนุโมทนาเรากลับไปขัดขวางเขาอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเป็นการขัดขวางการรับประทานอาหารของเขาบุญนี้เป็นอาหารของใจเท้าทำแล้วเขามีความสุขเขาได้พัฒนาจิตใจของเขาให้สูงขึ้นให้ไปสู่พระนิพพานในที่สุดเราจึงไม่ควรที่จะไปขัดขวางเช่นเรา มีลูกลูกเขาอยากจะบวชก็อย่าไปห้ามเขาเราอยากจะบวชก็ควรจะอนุโมทนาอย่าไปเสียดายลูกอย่าไปเสียดายว่าอยู่อยู่อยู่ไม่บวชจะดีกว่าจะได้อาศัยในในเวลาที่เราแก่หรือในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ปวด่วยอันนี้เป็นการคิดเห็นแก่ตัว เราต้องเห็นความสำคัญของการบวชว่าจะทำให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรายังจะติดอยู่ก็ติดของเราไปแต่เราอย่าไปรั้งคนอื่นให้เขาติดอยู่กับเราการติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ดีถ้าผู้ใดมีความสามารถที่จะออกจากคุกตารางนี้ได้ควรจะช่วยเขาชวนจะสนับสนุนเขา อย่าไปเหนี่ยวรั้งเขาไว้อย่าไปขัดขวางเขาเพราะว่าต่อไปถ้าเรามีความสามารถที่จะเล่นลอดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามีคนมาขัดขวางเราก็อาจจะไปไม่ได้เช่นการบวชนี้พ่อแม่ต้องอนุญาตให้ลูกบวชก่อนถ้าไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้ถ้ามีลูกเขามีความสามารถที่จะบวช มีความสามารถที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ควรจะอนุโมทนาควรจะดีใจว่าดีแล้วลูกอลูกอย่ามาติดคุกเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยพ่อแม่นี่ยังโง่อยยู่ยังไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะหนีออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ลูกนี้มีความสามารถไปเดยลูกไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่พ่อแม่จะดีใจถึงแม้จะติดคุกอยู่ในคุก แต่ก็จะมีความสุขกว่าตอนที่ลูกไม่ได้บวชตอนที่ลูกไม่ได้หนีออกจากคุกไปคนที่ติดคุกแต่คนที่เรารักได้บวดออกจากคุกนี่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นี่คือวิธีการดูปฏิบัติกับคนที่เขาทำบุญกันขอให้ขอให้คิดว่าเขากำลังออกหนีออกจากคุกกันเราที่ยังหนีออกไปไม่ได้เราก็อยากไปขัดขวางเขา เราควรที่จะยินดีช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาแล้วเผื่อวันข้างหน้าเขาอาจจะกลับมาช่วยเราออกไปจากคุกก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พอหลังจากที่หนีออกจากคุกได้แล้วท่านก็กลับมาช่วยญาติพี่น้องให้หนีออกจากคุกกันได้เป็นจานวนมากเลยพอตัดสรู้แล้วก็กลับมาโปรดญาติโยมในวังสอนคนในวังสอนปุ๊บก็มีญาติพี่น้องขอบวชตามกันต้องหลายคน แล้าต่อมาก็ลูกก็บวช ด, ด้วยแม่เลี้ยงก็บวช ด, ด้วยแล้วพ่อก็ได้บรรลุทำภรรยาก็ได้บรรลุทมถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักวิธีเล่นลอดออกจากคุกตากตารางไปท่านก็จะไม่สามารถมาสอนให้ผู้ที่ติดคุกติดตารางนี้เล่นลอดตามออกไปได้นี่คือความสำคัญของการอนุโมทนาบุญ ใครเห็นเห็นใครเขาทำบุญแล้วอย่าไปห้ามอย่าไปขวางเขาควรจะอนุโมทนาควรจะสนับสนุนกันเรียกว่าอนุโมทนาบุญทำอย่างนี้เราก็จะมีความสุขความสุขที่เห็นว่าเขาได้ออกจากคุกจากตารางไปถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ออกแต่เราเห็นเขาออกไปนี้เราก็มีความสุขเห็นลูกได้ออกจากคุกออกจากตาราง เรอยากจะให้ลูกอยู่กับเราติดคุกติดตารางกับเราอคิดดูนี่คือการทําบุญการทําบุญนี้ก็เพื่อการออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เห็นถ้าใครทาได้ควรอนุโมทนาควรจะแสดงความยินดีสนับสนุนกันช่วยเหลือกันให้เขาได้ได้ทําบุญอย่างเต็มที่เลยแล้วบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่น ถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลามีความรู้ความสามารถหรือเราไม่ชอบใช้เงินทองทําบุญเช่นบางคนก็มาบริการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ซื้อข้าวของเองแต่มีคนอื่นเขาซื้อข้าวของมาให้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาให้แต่เรามีเวลามีเวลาที่จะมาถ่ายทอดมีความรู้ที่จะ ถ่ายทอดสดได้คนที่มีเงินเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีความรู้ความสามารถเขาก็ให้ในส่วนที่เขาทำได้เขามีเงินเขาก็ให้เงินสนับสนุนอันนี้ก็เป็นทานส่วนผู้ที่มาทำให้เกิดการถ่ายทอดสดนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสได้พังเทศพังธรรม ซึ่งเป็นบุญที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเขาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเขาต้องทำบุญอย่างไรบ้างแล้วพอเขาได้ทาเขาก็จะได้หลุดพ้นกันอันนี้ก็เรียกว่าการการทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นจะทำอะไรอย่างอื่นก็ได้รับใช้ พาคนแก่มาวัดก็ได้คนแก่อยากจะมาวัดมาไม่ได้ด้วยตัวเองเราก็ช่วยพามาทาบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วอยู่วัดเห็นเห็นสถานที่สกปรกเห็นห้องน้ำสกปรกก็ช่วยกันทำความสะอาดเห็นขยะก็ช่วยกันเก็บอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทําแล้วก็จะมีความสุขใจเราอาจจะไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองที่จะ ถวายสร้างนู่นสร้างนี่แต่เรามีมือมีไม้มีตามีหูเห็นอะไรมันสกรปรกเห็นอะไรมันไม่เรียบร้อยเราก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบุญข้อต่อมาก็คือการมีสัมมาคารวะคนเรานี้มันอยู่ในโลกของสมมุติ โลกที่มีสูงมีต่ำมีผู้มีพระคุณมีผู้ที่เราจะต้องยกเทิดทูนบูชาให้อยู่เหนือเสียงก้าวของเราเพราะบุคคลเหล่านี้เขามีคุณมีประโยชน์กับเรามากเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีเราอย่างเช่นพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะไม่มีร่างกายนี้เราจะไม่สามารถมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันได้ บุญคุณของพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าที่เราต้องนำนึกถึงแล้วต้องเทิดทูนบูชาผู้ที่ให้พรคุณแก่เราเช่นพ่อแม่ของเราให้กำเนิดกับเราเราให้แล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะให้ทางสู่การหลุดพ้นกับเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่าตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาก็เหมือนกับมีการอภัยโทษพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก็เหมือนกับการเปิดประตูคุกตารางให้ผู้ที่ติดคุกติดตารางนี้ได้ออกมาได้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงยิ่งใหญ่กว่าคุณของบิดามารดาซิเพราะบิดามารดาให้เพียงแต่เรามาเกิดมีร่างกายนี้เท่านั้น แต่ก็ยังให้เราติดคุกอยู่ไม่ช่วยไม่สามารถช่วยให้เราออกพ้นออกจากคุกออกจากตารางไปได้ต้องมีคำสอนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะบอกทางให้กับพวกเราให้ออกจากคุกออกจากตารางไปบุคคลที่สำคัญบุคคลที่มีพระคุณ น, นี้เราจึงต้องให้ความเคารพเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะท่านจะได้มีความเมตตากับเรามีอะไรท่านก็จะแบ่งให้เราช่วยเราเราได้ก็จะยินดีช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราทําเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถํอมตนนี้เขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือเราเพราะเห็นแล้วว่าช่วยไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นทําไปแล้วกเออ็เสียเวลาไปเปล่า ดีไม่ดีอาจจะถูกเขาทำร้ายได้ก็ได้วันดีขึ้นดีอาจทำให้เขาโกรธขึ้นมาเขาก็อาจจะทำร้ายเราได้นี่ก็คือบุญที่เกิดจากการมีการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็สบายไม่ต้องไปไม่ต้องไปยืนยันให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้รวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้น ทำตัวให้เราโง่ดีกว่าทําตัวให้เราจนดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราฉลาดเ อ, อเรารวยเ อ, อเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีใครมาคอย อ, อมาคอยทดสอบความเก่งความรวยของเราเอ อ, อันนี้ก็คือผลที่เราจะได้รับจะทําให้ใจเราสงบสบายไม่ต้องวุ่นวาย ข้อต่อมาบุญเสริมก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องนอะการเห็นถูกต้องก็คือเห็นว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจนะร่างกายตายแต่ใจเรายังไม่ตายใจเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจะไปสูงไปต่ําก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทาไว้และจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดด้วยการชาระกิเลสตัณหา ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปการที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องเกิดจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เองถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะมีมิจฉาทิฏฐิกันก็จะไปคิดว่าตายแล้วศูนกันเพราะไม่เห็นไม่เห็นจิตใจคิดว่าจิตใจอยู่กับร่างกายออกมาจากสมองนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ฉลาดและ แสนฉลานี้เขาคิดว่าจิตใจนี้มาจากสมองอยู่ที่สมองกันเวลาร่างกายตายปุ๊บจิตใจก็ตายไปกับไปกับร่างกายจิตใจก็เพราะจิตใจก็ไม่คิดไม่ทำอะไรเพราะร่างกายนอนเฉยเฉยก็เลยคิดว่าจิตใจไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรแต่ความจริงจิตใจยังคิดอยู่แต่สั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกับคนขับรถเนี่ย พอรถมันเสียแล้วจะสั่งให้มันวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ไม่ยอมวิ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนขับรถตายไปกับรถนอันนี้ก็เหมือนกันคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วคนสั่งก็ตายไปด้วยคนขับร่างกายนี้ก็ตายไปด้วยแต่คนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายผู้รู้ผู้คิดนี้ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ถ้าทำบุญก็จะได้ความสุขได้สัได้สวรรค์ถ้าทำบาป ก, ก็จะได้ความร้อนได้ความทุกข์แล้วถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาทุกกับร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำบุญกันเราต้องละบาปกันเราต้องมาภาวนากันมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คือการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งควรพยายามสร้างมันขึ้นมาให้ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอามาคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ยังจะต้องไปรับผลบุญผลบาป ถ้ายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการอาให้ธรรมะแก่ผู้อื่นอันนี้ก็ต้องเกิดจากการที่เราตัดสู้บรรลุธรรมแล้วถึงจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อย่างได้อย่างเต็มที่ ใครทุกค์ใครเดือดร้อนนี่เราจะช่วยเขาได้จะสอนเขาได้บอกเขาได้วิธีดับทุกข์ว่าทำอย่างไรเราก็เวลาได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาพ้นทุกข์เราก็จะมีความสุขพระพุทธเจ้ามีความสุขจากการแสดงธรรมสั่งสอนสั์โลกทุกวันวันละสามสี่เวลาด้วยกันตอนบ่ายสอนสอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนออกจะเบญทบาทก็ดึงยามดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นเนีเพราะสอนแล้วเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันการที่เห็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะทําให้มีความสุขกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้านี้ท่านมีความสุขในตัวของท่านอยู่แล้วความสุขเต็มหัวใจอยู่แล้วจะทําหรือไม่ทําก็ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ทำเพราะความสงสารสัตว์โลกที่ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี้แต่สําหรับพวกเราที่ยังยังไม่ได้หลุดพ้นเราก็สามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่มาแจกให้แก่ผู้อื่นได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี้ดีกว่าการให้ข้าวของเงินทองต่าง เจาของเงินทองก็มาบำบัดความทุกข์ทางร่างกายแต่ธรรมะนี้จะมาบำบัดความทุกข์ทางจิตใจที่มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของทางร่างกายเพียงแต่ได้ยินได้ฟังทมได้อ่านหนังสือธรรมะก็ทำให้ความทุกข์เบาบางลงไปได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่ายังอาจจะไม่หมดหรือหมดก็อยู่ที่กำลังของผู้ฟังว่ามีสมาธิที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หรือไม่เท่านั้นเอง นี่คือเรื่องของบุญสิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วถ้าทำบุญทั้งสิประการนี้โดยเฉพาะบุญที่จำเป็นบุญหลักสี่ข้อนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปทำบุญอย่างอื่นใครยัมาช่วยไปทำบุญอย่างอื่นนอกเหนือจากบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำนี้อย่าไปให้เสียเวลาไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นบุญนี่คือเรื่องของการที่เรามา กันในวันนี้มาศึกษามามาเรียนรู้วิธีที่จะทำบุญกันเพื่อเราจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งมีบุญพาให้เราได้ดุดพน้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนา ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมใครมีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเร็หลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะของดตอบ ป, ปัญหาถ้าใครอยากจะถามถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทางพิธีกรนำเอาคําถามจากทางบ้านมาถามก่อนคําถามจากเฟซบุ o กค่ะแถวบ้าน เขามักมีฝูงมาหอนโหยหวนบ่อยๆเวลาที่นั่งสมาธิหลังจากสวดมนต์และสมาทานพระกรรมฐานแล้วนั่งนั่งไปมักสะดุ้งตกใจง่ายมักจะได้ยินของตกในบ้านหรือเสียงดังนอกบ้านที่ทำให้ตกใจเว้นก็แต่วันพระเสียงรบกวนเหล่านี้จะน้อยหน่อยฝากกราบเรียนถามพระอาจารย์ขอทางแก้ไขเจ้าค่ะก ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังมีเกิดมีดับมีมามีไปอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้เหมือนเสียงลมเสียงฟ้าร้องมันจะพัดก็พัดมันจะร้องก็ร้องดันั้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันให้เรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วใจเราจะไม่เสียหลักเช่นให้มีพุทธโธไว พอใจเราจะตื่นเต้นตกใจกลัวขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าไม่มีพุทโธเดี๋ยวมันก็จะคิดไปต่างๆนานาแล้วก็จะเกิดอาการวุ่นวายใจกลายเป็นคนบ้าไปได้เนี่ยที่เ็าเรียกว่าคนบ้าก็คือคนไม่มีสตินั่นเอง เราจึงต้องมีสติกันพยายามสร้างสติกันรักษาสติกันให้มาคุ้มครองใจของเราวิธีจะมีสติก็ให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏมาให้เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในก็เหมือนกันอย่าไปสนใจคำถามจากคุณบุญเรืองภาโศค่ะ ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะมีคนบอกว่ากรีดยางเป็นบาปลูกขอถามพระอาจารย์ว่าใช่ไหมคะเป็นเจ้าของสวนยางค่ะแต่มีคนกรีดยางให้ค่ะคือสมัยโบราณนี้คนเขาเชื่อว่าต้นไม้เป็นของมีชีวิตถ้าใครไปตัดต้นไม้เนี่ยไปกรีดยางเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปไปกรีดร่างกายของคนไปตัดแขนตัดขาของคนพระพุทธเจ้าก็เลย ห้ามพระไม่ให้ตัดต้นไม้ทำอะไรต่างๆแต่ที่ห้ามไม่ใช่เพราะว่าต้นไม้มันมีชีวิตมันมีมันไม่มีวิญญาณเหมือนร่างกายเหมือนคนนี่คนนี่มีวิญญาณรับรู้ความเจ็บปวดของทางร่างกายได้ใครไปทำให้ร่างกายเจ็บปวดใจก็จะโกรธจะอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแต่ต้นไม้นี่มันไม่มีวิญญาณความจริงนี้มันไม่เป็นบาป แต่เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาเชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยต้องห้ามไม่ให้พระไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าตัดอะไรถ้าอยากจะตัดก็ต้องให้ญาติโยมที่เขาเอาเขาทําได้ให้เขาทําไปแต่การกิจยางตัดต้นไม้ฟันต้นไม้นี้ไม่เป็นบาปเพราะว่าต้นไม้นี้ไม่มีดวงวิญญาณ คำถามจากคุณพานวัฒน์สิมมลีอยากเรียนหาพราจารย์ค่ะกับคำกล่าวที่ว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนนำพาหมายความว่าอย่างไรคะก็ใส่เข้าไปใน Google เลยมาถามแล้าไหมมันเราไม่ใช่เป็นสัพพันยูไงกูเกิเนี่ยสัพพันยูเรายัางต้องไปหามันเลย เนี่ยจะกล่าวคำว่าวยพรปีใหม่เรายังต้องเขียนเข้าไปใน Google แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเราไม่ได้คิดเองเหรอกเราไปขอมัน <laughs> คำถามฝากถามค่ะข้อแรกอยากพัฒนาการปฏิบัติให้จิตรวมค่ะขอคำแนะนำค่ะกตต็ต้องมีสติต้องมีสตินะข้อสองค่ะจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของตัวเองอยู่ขั้นไหนคะ อ้าก็เหมือนกับกินข้าวนะ่ยมันกินเอ็มขั้นไหนมันก็รู้เองชันทิติกโกไม่มีใครมาบอกเราได้เราจะรู้เองว่าจิตเราสงบในระดับไหนเบื้องต้นเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นระดับต่างๆของความสงบของจิตนะก็อย่าไปสนใจมันสงบอย่างไรก็ให้รู้ว่าอ๋อคราวนี้มันสงบอย่างนี้คราวหน้ามันสงบลึกกว่านี้อ่าคราวหน้าล่างไปร่างกายหายไปหมดเลยมันมีหลายแบบหลายลักษณะด้วยกัน ดังนั้นขอให้เราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรของพวกนี้อย่าไปถามใครเลยเพราะมันเรื่องของสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคนตาบอดไปบอกเขาว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไรพูดไปจนมันตายมันก็ไม่สามารถแยกได้ว่าสีเขียวต่างจากสีแดงอย่างไรต้องให้เขาเปิดตาขึ้นมาดูรักษาตาให้เขาหายตาตาหายแล้วมันเห็นเองมันเข้าใจเองว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไร เวลาเราปฏิบัติก็เช่นเดียวกันผลต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองสัมผัสเองแล้วเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นผลอะไรอย่างไรข้อสมค่ะช่วงนั่งสมาธิต้นชั่วโมงมีอาการใจแข่งรู้สึกร้อนวูบวาบในอกพุทโธก็ไม่คลายค่ะจนต้องใช้จิตน้อมระลึกถึงพระอาจารย์และก้มกราบถึงจะหายจากอาการนี้ การกระทําแบบนี้ถือว่าทําถูกต้องสําหรับการปฏิบัติหรือไม่คะการปฏิบัติเวลานั่งแล้วมันเกิดทุกเวทนานี้ไม่ควรจะขยับร่างกายถ้าขยับร่างกายมันก็หายขยับขึ้นมากราบพระอย่างนี้มันก็หายไม่กราบมันก็หายถ้าอยากจะให้มันหายเองเราก็ต้องนั่งเฉยๆต่อไปให้ใจมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวใช้พุทธโธไปหรือใช้ปัญญาแยกแยะ ความทุกข์ที่มีสองชนิดด้วยกันคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็คือเป็นผลที่เกิดจากการนั่งนานๆแล้วทุกข์ใจก็คือความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์กายหายไปที่เราทนกันไม่ได้นี้ไม่ใช่ความทุกข์ทางกายแต่เป็นความทุกข์ทางใจถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปได้โดยที่ไม่รู้สึกทรมานเราก็ต้องหยุด ความทุกข์ทางใจด้วยการหยุดเหตุของต้นต้นเหตุของความทุกข์ทางใจก็คือความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปเราก็ต้องปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บต่อไปอย่าไปอยากให้มันหายเราก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อหยุดความอยากก็คือหาพุทโธใช้พุทโธมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความอยาก อยาอย่าไปสนใจกับความเจ็บทางร่างกายพอเราไม่ไปสนใจแล้วความอยากจะให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปก็ไม่มีความทรมานใจก็จะหายไปใจก็จะเบาสบายอยู่กับความเจ็บทางร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานข้อสี่ค่ะการสวดมนต์ควรต้องสวดให้ครบทุกคา ทุกบทหรือไม่คะเพราะการสวด ร, ร่วมกับผู้อื่นจะทําให้สวดไม่ทันและอักขระไม่ถูกต้องคะ่ะก็แล้วแต่ถ้าเราสวดกับเขาก็พยายามสวดไปถ้าสวดไม่ได้ก็ฟังเขาไปสวดไปก็ได้มันไม่สําคัญสําคัญที่ใจเรานี้ยไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดเรื่องอื่นอยู่การสวดมวนต์ไปเราก็ จะทาให้ใจเราสงบได้การสวดนี้เพื่อให้ใจเราสงบข้อห้าค่ะทราบมาว่าการถวายดอกไม้การจัดดอกไม้ทำให้เกิดชาติหน้าสวยงามตัวหอมหรือการปล่อยปลาทำให้อายุยืนหน้าที่การงานรุ่งเรืองเป็นจริงหรือไม่คะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันจริงว่า จัดดอกไม้กจะทำให้เราสวยในชาติหน้าถทาที่เราได้ยินว่าความสวยเกิดจากการมีศีลจากการทำทานคนที่ทาทานนี้จะใจงามคนที่รักษาศีลนี่จะใจงามพอใจงามเวลาได้ร่างกายก็ใจที่งามก็จะทำให้ร่างกายงามตามไปด้วยงั้นถ้าเรา จัดดอกไม้ด้วยความที่เป็นใจเป็นทานเป็นศีลหรือเปล่าถ้าเป็นทานเป็นศีลก็อาจจะก็จะทำให้เรางามได้แต่ถ้าจัดดอกไม้ด้วยความไม่ไม่ได้เป็นทานไม่ได้เป็นศีลมันก็จะไม่งามส่วนอายุยนืยนยาวนานก็อยู่ที่ศีลที่ทานนี่เหมือนกันถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นชีวิตของผู้อื่น ไม่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นก็จะไม่มีใครมาทำร้ายชีวิตของพวกเราอายุเราก็จะยืนยาวนานคนที่มีความเมตตานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธนะเพราะคนที่มีความเมตตาคือคนมีศีลคนมีทานนี้จะไม่ทำให้ใครเกลียดโกรดนั่นเองจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอายุก็จะยืนยาวนาน คำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณสิริทรนหากเกิดความทุกข์ความเศร้าหรือความเหงาขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรได้บ้างคะก็มีสองวิธีวิธีง่ายที่สุดก็คือหยุดความคิดถึงเรื่องราวต่างๆทำใจให้สงบให้ท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วความเศร้าความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปชั่วคราว แต่พอเราหยุดปริกรรมพอใจเริ่มคิดใหม่มันก็จะเศร้าใหม่ได้ถ้าเราอยากจะหยุดอย่างถาวรเราก็ต้องไปค้นหาต้นเหตุของความเศร้าว่าเกิดจากอะไรเช่นเราเศร้าเพราะเราอยากจะมีแฟนรม่ว่าเราเสียแฟนไปแล้วเราเศร้า อ, อยากจะได้แฟนคืนมาแต่เขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับมาถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่าความเศร้าของเราเกิดจากความอยาก ให้แฟนกลับมาหรือให้แฟนอยู่กับเราต่อไปแต่เมื่อเรามองความจริงแล้วว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราหยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราลืมกลับมาอยู่กับเราได้ไม่มีความอยากให้เขามาเฉยๆทําใจเฉยๆใจเราก็จะหายทุกข์หายเศร้าได้ต้อง แก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของความเศร้าใจทุกใจทั้งหลายก็เกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เองคําถามจากคุณสุภรดายายได้ให้ที่ดินจะสร้างอนามัยในหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่ได้ให้สินน้ําใจสี่หมื่นบาทแต่ได้ตกลงก่อนหน้านั้นว่าถ้าไม่ได้สร้างอนามัยจะขอที่ดินตรงนั้นคืนให้ลูกหลานทํามาหากินผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นก็ตกลงต่อมา ไม่ได้สร้างอนามัยลูกหลานก็ได้นำเงินไปคืนแต่ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันไม่รับบอกว่าเอาเงินแสนกว่าบาทอยากทราบว่าเราจะบาปไหมคะอยากได้อยากให้เงินคืนแต่เขาไม่รับโดนคําสาปแช่งชาวบ้านและอีกเรื่องชาวบ้านบอกว่าถ้าเราเอาเงินคืนถ้าเราเอาที่ดินคืนยายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนเราไปดึงยายลงมาจากสวรรค์จริงหรือเปล่าคะ คือการให้นี่ต้องถือว่าให้ไปแล้วมันขาดจนถึงจะได้ผลให้แล้วยังไม่ปล่อยมันก็ยังไม่ได้ผลอย่างนั้นการจะให้อะไรให้มันได้ผลได้บุญก็ต้องปล่อยให้ไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ยังให้แล้วยังมีเงื่อนไขยอยู่มันก็ยังเหมือนกับว่ายัางไม่ได้ให้ยายก็ยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ให้ไปเลยแล้วก็อย่าไปเอาคืน เขาจะไปทาอะไรจะไปทาที่เลี้ยงหมาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีให้ไปแล้วจบเราอยากจะให้เอาไปให้เขาทำประโยชน์เขาจะไปทำประโยชน์อย่างไรนี้เราก็อย่าไปกำหนดเป็นเงื่อนไขเลยเพราะว่ามันจะทำให้ใจเราเศร้าหมองได้เวลาที่เขาไม่ได้ทำตามที่เรากำหนดให้เขาทา แล้วบุญแทนที่จะได้ก็จะไม่ได้บุญแล้วดีไม่ดีอาจจะมาเป็นดวงวิญญาณเฝ้าที่ดินก็ได้มาดูว่าเขายัางสร้างอนามัยหรือเปล่าถ้าไม่สร้างก็ไม่สบายใจการทำบุญนี่ยทำด้วยความผูกพันทำเพื่อปล่อยวางไม่เะนนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป็นดวงวิญญาณเฝ้า ของที่เราเบริจาคให้คนอื่นไปอย่างในประวัติหลวงปู่มั่นนี่ก็มีการเล่าว่าหลวงปู่มั่นไปนั่งภาวนาอยู่ที่เจดีย์แห่งหนึ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนหญิงผู้หญิงสองคนพี่น้องมาวนเวียนอยู่ท่านก็ถามว่ามาทำอะไรแถวนี้เขาบอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็บริจาคสร้างสร้างเจดีย์นี้อยากจะให้เจดีย์นี้เสร็จ แต่เขาตายไปแค่ก่อนด้วยความผูกพันความอยากให้เจดียนี้เสร็จก็คอยมาดูอยู่เรื่อยๆแทนที่จะได้ไปสวรรค์ไปรับผลบุญก็เลยต้องมาเป็นดวงวิญญาณอยู่เฝ้าดูเจดีย์นั้นทําบุญอะไรแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราให้ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วก่อนที่ไม่ยึดจิตจะทําให้ใจเราเบาใจเรามีความสุข ใจที่เบาใจที่สุขนี่ก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันที yeah. คำถามจากคุณสุรจิตเมื่อร่างกายเจ็บป่วยแต่มีความรู้สึกเจ็บปวดร่างกายต้องบอกใจอย่างไรเพื่อให้ใจยอมรับความจริงว่าร่างกายเจ็บปวดแต่ใจไม่เจ็บปวดด้วยก็มันเจ็บปวดนี่ก็บอกใจว่ามันเรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกาย เหมือนเราเวลาดูคนอื่นเขาเจ็บปวดเรารู้สึกอย่างไรบ้างเราก็รู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นเราแต่ที่เราเจ็บปวดแทนร่างกายก็เพราะว่าเราไปถือว่าร่างกายเป็นเราฉะนั้นเราก็ต้องแยกใจออกจากร่างกายวิธีจะแยกก็ต้องนั่นั่งสมาธิทำใจให้สงบถึงจะแยกออกจากกันได้ ถ้าใจไม่สงบใจไม่เป็นอุเบกขาใจก็ยังจะยึดติดอยู่กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็จะเป็นไปกับร่างกายยันต้องมาหัดทำสมาธิกันให้ได้เวลาทำสมาธิแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายได้แล้วพอเรารู้จักวิธีแยกออกจากร่างกายแล้วพอมันจะกลับไปหาร่างกายเราก็ใช้ปัญญาสอนเหมือนว่าอยากกลับไปร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรากลับไป แล้วเราจะทุกข์กับมันไปเปล่าๆปล่อยมันดีกว่ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายคําถามจากคุณแมงถ้าเรานําพระเครื่องที่เป็นมรดกของพ่อไปขายแล้วนําเงินบางส่วนไปทําถนนเข้าวัดที่กันดานจะบาปไหม และนำส่วนที่เหลือสร้างบ้านให้แม่เพราะพ่อเสียแล้วยังคงทาบุญต่อไปเรื่อยๆจะบาปไหมคะคือ เ, เรื่องการเอาของที่เป็นของเราไปขายนี่มันไม่บาปหรอกถ้าเครื่องของขังอะไรนี้ก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเออเป็นวัตถุเป็นของที่ซื้อขายกันได้ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีคนซื้อเขาเราเอาไปขายได้เงินมาเราจะไปทาบุญไม่ทาบุญก็ไม่บาปอยู่ดี การขายของที่เป็นของของเรานี่ไม่บาป ก, การไปขโมยของคนอื่นมาขายเนี่ยบาปคำถามจากคุณอุ๊ดทำสมาธิมาหนึ่งปีแล้วรู้สึกกิเลสได้ลดลงบ้างปล่อยวางได้บ้างอารมณ์โกรธลดลงนิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่มันยังไม่หมดจากใจสักทีทำยังไงมันก็จะหายไปไม่หมดสิ้นได้คะ่ะ าเาต้้อง่ออวใหส บ, บางทีความอยากมันก็จะมีอยู่เวลาคนอื่นมาพูดไม่ดีกับเราก็มีความไม่พอใจเก็บไปคิดบ้างทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นวันไหนที่ถือสินแปดจะนิ่งได้ยาวหน่อยทั้งวันความอยากลดลงพอวันไหนไม่ได้ถือสินแปดจะรู้สึกว่าจิตก็ออกมากั้กับกิเลสต่างๆทํายังไงกิเลสก็มันไม่หมดสักทีถาวรค่ะ อ, อ่าก็ไม่ทํามันอย่างเต็มที่ ก็ต้องทำให้มันครบสูตรนะสูตรที่จะทำให้กิเลสตายก็ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาและต้องมีตลอดเวลาไม่ใช่มีแบบเป็นช่วงช่วงไม่เหมือนก็เหมือนกับมียามเป็นช่วงช่วงช่วงไหนไม่มียามขโมยมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองพอช่วงไหนมียามขโมยมันก็หดหายไปถ้าไม่อยากให้มีขโมยเลยก็ต้องมียามตลอดเวลา ยามของใจก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจตลอดเวลานี่กิเลสตัณหานี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้โผล่ขึ้นมามันก็จะถูกทำลายทันทีเลยคำถามจากคุณนภพัฒนดิฉันเคยนั่งสมาธิเพราะตอนนั้นเป็นทุกข์มากแล้วก็หันมาสวดมนต์นั่งสมาธิเคยนั่งได้ชนิดที่สงบมาก ได้ยินแต่เสียงลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวเบาและต่อไปรู้สึกว่ากายหายไปแต่ได้ยินเสียงลมหายใจเป็นเสียงลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดมากๆรู้สึกสงบเย็นเบาว่างมีความสุขแต่เป็นแค่ช่วงรัดนิ้วมือจริงๆที่มีอาการแบบนั้นสักพักรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าเข้าสมาธิได้หรือยังคะก็ได้เดี๋ยวแต่ยังเข้าไม่เต็มที่ ถ้าเข้าเต็มที่แล้วแม้แต่ลมหายใจก็จะหายไปร่างกายก็จะหายไปเหลือแต่จิตตัวรู้ตัวเดียวข้อที่สองตอนนี้อยากจะนั่งได้แบบนั้นอีกแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ทุกข์เหมือนตอนนั้นเลยคิดว่าบางทีความทุกข์ก็ให้อะไรดีๆกับเราได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะทุกวันเลยพยายามคิดเสมอว่า เวลาเราสุขเรามองเป็นเรื่องธรรมดาทุกก็มองเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำใจเราให้สงบก็พ อ, อ, อความสาคัญก็คือความสงบเนี่ยถ้าใจสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคำถามจากคุณนัทพลนิพานเป็นอนัตตาหรือเปล่าครับนิพานไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนิพานก็เป็นนิพาน พระพุทธเ้าไม่เคยบอกว่านิพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานิพานเป็นบาลังสุขขังเราชอบไปถามปัญหาที่มันไม่เป็นกันให้เรื่องที่เป็นไม่ถามกันร่างกายนี่มันเป็นอนัด อ, อ, อนัตตาไม่ถามกันชอบยึดชอบติดร่างกายเป็นอนัตตาเงินทองก็เป็นอนัตตาก็ไปชอบยึดติดมันของที่ท่านสอนให้เราเป็นอนัตตาเราไม่กลับไม่สนใจ ไอของที่ท่านไม่ได้สอนว่าเป็นอนัตตากลับไปสนใจทำไมสนใจในเรื่องที่ท่านสอนใช่ท่านสอนบอกว่าลาบยศฉันรสนุกนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเอามาแล้วเดี๋ยวจะเสียใจเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปเวลาเขาคืนไปก็ร้องห่มร้องไห้คำถามจากเด็กหลังเขา เวลานั่งแล้วลมหายใจเราดับขาดหมายความว่าอย่างไรครับเอามาถามเราทําไมมันหายมันดับขาดหรือเปล่ามันดับขาดก็ดับขาดมันจะเป็นไงก็เป็นไปเลยปวดล้ค่ะปวดแล้วเหรอเออชอบเอาคําถามอะไรก็ไม่รู้มาถามตัวเองก็ไม่ได้ทําแล้วก็มาถามถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเออท้อง ถ้ามันดับขาดมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงไม่ต้องมาถามของพวกนี้ถึงบอกว่ามันเป็นสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นยั้นขอให้เห็นด้วยการปฏิบัติเถิดไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือได้ยินเขาพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาคาดคะเนเอาว่ามันเป็นอย่างไรคาดไปจนวันตายมันก็ไม่เห็นของจริงหรอกไม่เหมือนของจริงอยากจะได้ของจริงก็ทําเองไป ทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นเองรู้เองจะรู้จะเห็นนี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมห้ามถามนะหลังจากที่เลิ ก, กว่าชุมแล้วพอเลิ ก, กว่าชุมแล้วชอบมาคุยต่อมาถามต่อตอนนี้ไม่ยอมถาม